ต้นวิโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปก็สะดับปกิณกะคำแนะนำคำว่าปกิณกะหมายถึงว่าเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว วันนี้ฟังเรื่องของท่านชะ ด, ดินทั้งสามเป็นว่าประวัติของท่านน่าคิดโดยองค์สมเนจพระธรรมสาไมิทรงตรัสว่าดูมันว่าท่านจะไม่ทำอะไรมากนัก <c oughs> สังเกตจริยาของท่านให้ดี ว่าใน ส, สมัยสมเด็จพระจินัฏ์สีพระองค์นั้นทรงตรัสขึ้นเมื่อท่านพี่เป็นพระพุทธเจ้าพี่รองลงมาเป็นอาคาสาวกแล้วก็พี่รองลงมาเป็นมหาสาวกตัวท่านเองทั้งหมดในสมัยนั้นแทนที่จะได้เป็นพระอรหรันต์ ท่านก็ไม่ได้เป็นพ่อหารเพราะว่ามีเวลาปฏิบัติน้อยแต่ฟังให้ดีนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีเวลาปฏิบัติน้อยท่านต้องช่วยพ่อรบทับจับศึกต้องช่วยพ่อปกครองประเทศเรื่องการครองประเทศนี่เป็นเรื่องหนักมาก เพราะอะไรเพราะาต้องทำกรรมท้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นอกุศลและก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างก็จะต้องทำกรรมที่เป็นอกุศลร่วมตัวอย่างที่จะเห็นว่าเราต้องการให้มันดาบวงชนทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองมีความสุข ก็ต้องออกกฎหมายลงโทษลงทันกับคนที่ทำความชั่วแต่เขาเหล่านั้นมีโทษถึงที่สุดจะต้องสั่งประหารชีวิตการทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นอกุศลแต่ว่าเจตนาจริงๆ ของนักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจขัดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวและไวจิตดวงนั้นทําเพื่อมาหากุศลอย่างเดียวในบางทีท่านนันไลจะถามว่าก็เมื่อทําเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทาไมจึงจะเรียกว่าเป็นบาต เรื่องนี้ก็ต้องย้อนถอยหลังไปหาเรื่องของท่านอะไรล่ะผมก็นึกเตชะสุเนมะเตมีใบท่านเตมีสมัยนั้นท่านเป็นเด็กนั่งอยู่บนตักของพระราชวิดาเมื่อหมายเขานำคนเข้ามาแล้วกราบทูลว่าคนนี้มีโทษหนัก ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง <c oughs> พระราชินีดาก็สั่งประหารชีวิตแม้ว่าเตมีนั่งอยู่บนตักพระราชินีดาะระลึกชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราชาอย่างพ่อเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาเพราะเกรงว่าจะต้องสั่งาหารชีวิตอีกนี่เปอนุ่าถึงเมว่ากิจที่เราจะพึงทำที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นก็จำจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล นี่เรามานั่งดูกันว่าท่านทั้งสามพร้อมไปด้บริวารหนึ่งพันต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำไมท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึง9ก้าสบองกับ การเกิดบนสวรรค์เกิบสองกับนะขอมันดาพวกท่านนันหลายยวิต ก, กังวลไปเลยเพราเขาจะมีความลำบากยากแค้นเนื้อแท้จริงๆเทว ด, ดาวมีความสุขต้องการทุกอย่างสำเร็จผลคำว่าทิพแปรวาเล่นเลนทิพนี่เขาเป ร, รวเลนจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่นเลน คือไม่หนักอย่างเราทําเล่นเล่นกินเล่นเล่นนอนเล่นเล่นจะทําอะไรก็แบบเล่นเล่นไม่ต้องใช้สมองหนักไม่ต้องใช้แรงงานหนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลก็ฉั่งมันมันจะได้มากได้น้อยก็ชั่งมันจริยาเห็นคาว่าเล่นเล่นหมายถึงว่าการความเบาแห่งกิจการงานนี้สําหรับเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์ก็ถือว่ามีร่างกายเล่นเล่น ร่างกายเล่นๆเขาเทวดาก็เพราะว่าเทวดาไม่รู้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นๆไม่ใช่ร่างกายจริงๆไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะเขาเป็นคลิปมันก็เหมือนร่างกายเล่นๆเหมือนตั้นตุ๊กตาเล่นๆ ร่างกายเทวดาก็เหมือนกับร่างกายทุ๊กตาตุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเพราะอะไรปั้นไวเท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าตุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสุดโซ่ไม่มีความลําบาก เมื่อเวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพอคิดขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะักเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งพันกับสามท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาถึงกาดิบสองกับน่ยอย่าคิดว่าท่านลําบากมีความสุขที่สุด ตอนนี้เราก็มานั่งพิจรารณากันในเมื่อท่านจำจะต้องเป็นพระราชาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นมหามาตยเพราะว่าจะต้องรับรองค์ใหญ่ต้องเป็นพระราชาองค์รองลงมาก็เป็นมหาอุปราชองค์รองลงมาก็เป็นอัครมหาเสนาบดี สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดรับภารากิจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลจะพึงมีในประเทศของตนฉนั้นกรรมที่พระองค์ทําจริงเป็นทั้งกุศลและกลุศลแล้วก็นั่งทบทวนกันดูว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัส ว่าท่านตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทำไมจึงไม่รงนรกอย่างพระเตมีว่าตอนนี้ท่านอังไรอย่าลืมว่าท่านทั้ง1ันสามรอยองค์นั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เราเห็นพี่เป็นพระพุทธเจา้าคือเป็นอรหันต์องค์สำคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอารหาันต์มีความสุขต้นก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสยศละสมบัติมาบูชอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอารหาันต์ต่อไปภายหน้าจิงได้สละตนออกจากกามกุณโชคราวสามเดือนนะครับ ไม่ได้มีโอกาสบวชมากเลยได้มีโอกาสทำบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาศีลสิบก็คือบวชเนนีเองขณะที่บวชเนงก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอนและในเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกันท่านก็ะไหวทานเรยวสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพิสุทธิ์สงฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่ปดเป็นบริวารของท่านและคนในวิหารทั้งหมดสิ้นเวลาสามเดือนเมื่อท่านมีเจตนาในการให้ทานมีเจตนารักษาสินในความบริสุทธิ์ ที่เวลาสามเดือนท่านก็พ้นต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ําใจของท่า น, นดีบรรดาท่านทั้งหลายน้ําใจของท่านดังสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมรัสาสินสิทธิ์ในฐานะที่บวชอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรชั้นใดคือบทนี้ สึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้ยวยอำนาจผลทานที่ตนให้เป็นปัจจัยท่านทั้งหมดนี้มีจิตแวนอนอุณุสติอนุสติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงศีลที่ตนรักษา นึกถึงทานการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมาทรสงสั่งาสอน <c oughs> นึกถึงศีลที่เรียกว่าศีลานุสติกรมฐานนึกถึงทานเรียกว่าจาคานุสติกรมฐานนึกถึงธรรมคําสั่งสอนเรียกว่าธรรมานุสติกรมฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิชิตามานเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังคานุสติกรมาฐานได้เจนานาเตรยจนนายเขาต้องสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพีงมีเพียงใดขอความสำเร็จอาลัตะผลจงมีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอิีฐานละบรรมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น และในที่สุดเมื่อพระเตกับนี้เมื่อองค์สมเด็จพระพิทักษ์มทรงอมบัตาาิขึ้นในโลก <c oughs> ไม่กว่ามาท่านนางสามกับพระพุทธเจ้าอายุไล่เลี่ยกันเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดท่านก็มาเกิดต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้โบว ท, ท่านก็บวช บทจงรทั้งเป็นขนาดจารย์ใหญ่ในที่สุดทั้งสามท่านและพร้อมไม่ยดบริวารฟังอาทิตบปริยายาสุ จ, จบเดียวก็สมเร็จอร h a t ต a ลที่พุทนทรรมนำเรื่องนี้มาแทนที่พุทธิบอกว่านั่งหลับตาภาวนาวา่าพุทโธธโมโสังโฆ <c oughs> ผมไม่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นบกินกะแนะนำกันเล็กๆน้อย เมื่อท่านนังหลายได้รับสันดับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านทังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยท่านมีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านชดินทางสามมรรหรือเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่ปนอดิตของท่าน ท่านเจดินน่าสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คณตวิดามาดาและท่านผู้มีพระคุณนั้งขอท่านหลายหลก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณหรือบางคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณของบุคคลที่มีคุณนั่งนึกถึงกำลังใจของตนเองเมื่อเคยคิดปรทุสร้ายนินทาว่าร้ายบุคคลผู้มีคุณชี่วีดามันดารือครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ที่ควารพบมีบ้างไหม ถ้าหาว่าเคยอกะกตัญยูมาเวลานั้นเวลานี้กําลังใจของเราถอนได้แล้วหรือยังถอนจากความเป็นคนอกะกตัญยูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเรานั่งวัดกำลังใจ <c oughs> และคนที่มีความดีในด้านความกตัญญูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกัน สมเด็จพระวิชิตธรรมานทรงตรัดว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามบัมบาลีว่านิมิตต่างสาธุปานังกตัญญูกั เ, เวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านยรินยรสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระรหันต์ในชาติต่อมาและเป็นเทวดานานมีความสุขรายการที่สองท่านทั้งสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสง์ในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ถ้าเวลานี้เราจะคิดว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเสียแล้วนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทานิพานไปแล้วนั่นก็ไม่โทุกคํคำว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมกายคำว่าธรรมกายหมายถึง ว, ว่ากายธรรมคือธรรมะได้แก่ความดีไม่ใช่รูปกาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมขันธ์หนึงขันธ์ห้านะไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องแสวงหาโมกขธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาโมกขธรรมก่อนทําจิตใจตากิเลสให้เป็นสมบเฉีติประหารจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ดนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนนท์มีความหนักใจว่าเวลานี้องค์สมเด็ดพจพระจรมไตรยจะทรงดับขันเข้าสู่ท่าบริณิพานเรายังเป็นเสขาบุคคลก็ลยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ปะโสดามันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเช่นแล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ได้อรหัสผล พระองค์สำเร็จพระทศพลทรงทราบจึงได้เรียกมาแล้วตันว่านันทะดูก่อนอันอน์เมื่อเรานิพานเป็นแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาส ด, สดาสอนเธอเป็นอนุว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตัดไว้จะเป็นครูศาส ด, สดาครูธรรมครูคือเป็นพระองค์เอง เน้นๆเมื่อรูปากาย อ, องพระองค์หมดไปก็เหลือจะทำากายได้แก่ทำกล้ากลัวกุ่มแห่งธรรมท ำ, ท ำ, ทำกายคมากายพวกคือพวกพระธรรมพระวินไนเป็นว่าถ้าท่านนนั้หลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ไม่จริงแล้วว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกามฐาน เคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบิดาตมานคนที่มีพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพพระนายพระองค์เองการเคารพนี่เคารพในพระธรรมคําสั่งสอนคือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่องค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธติกาที่พระองค์ทรงตัวสว่าถ้ารรมวีนัยนี่แหละจะเป็นศาสดาสอนเถอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าสัทธาคือศาสดาแปลว่าครู มีคําสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความเคารพก็ชื่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกับท่านทัานชดินทางสามเนื้อต่อมาท่านชะดินทางสา ม, ม, าาดสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจา้าและพระเรียสง์ตลอดจึงท่านบริวารของตนที่ยังอยู่ในบนในขอบเขตในสีมา คือบริวารที่อยู่ในพระราชฐานของพระองค์โดยให้ในเสมียนขุนคลังเป็นคนจ่ายทรัพย์สำหรับพวกท่านหลายการให้ทานอย่างนี้มีแล้วหรือยังท่านเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ที่มีทรัพย์มาก เรามีทรัพย์น้อยท่านทำเต็มกำลังของท่านเราก็ทำเต็มกำลังของเราพระบุญน้อยรละบุญมากกวนอยู่ที่กำลังใจต่างคนต่างทำเต็มกำลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีใทานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุระกันดาน งานนี้เป็นงานสาธารณประโยชน์ให้ทานไม่จำกัดเขตให้ทานไม่หวังผลในการตอบแทนให้เพื่อตั้งใจให้เขามีความสุขจัดว่าเป็นปรมตถทานคำว่าปรมตถทานในประาธานที่มีกำลังสูงอย่างยิ่งคือให้โดยเฉพาะไม่หวังผลกลับมาอีกเราให้เขาแล้วเขาจะ ย, ยิ้มหรือเขาจะดีใจเขาจะด่าเราก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราให้โดยเจตนาบริสุทธิ์น่าเป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านยดาดินอย่างสามไหมและนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสโดวกด้วยประการทั้งปวงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกำลังของเราในงานส่วนใดเสเมืกิจของสองเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจ่นเลยยากไม่มีเคยปีปากบน กำลังธรรมทานประเภทนี้จัดว่าเป็นมหากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวัดบารามเป็นวิหารทานเป็นอันว่าการถวายสังฆทานเราก็ถวายกันแล้วการให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เรากําลังทํากันทํากันอย่างไม่คิดผลตอบแทนไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยมันจะเหม็นมันจะอะไรก็ตามไม่ประคมประเข็มนํามันเหม็นจะตายไป เราทำในจิตตั้งใจบริสุทธิ์พระปราตนาจะ บ, บคุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทำกันแล้วหันมาในด้านเนคมะบ ร, รมีที่บรรดาท่านเชดินทั้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ต้องคิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตเทิงเนธคัมมะบรมีนจอยู่หรือเปล่านี่จะห า, าผมด่าท่านนบเชดิด่าอาทันนาจโจทยั ต, ตานังจูเตือนตอนไดตตนเองหมุนมหากำลังใจของเรา่าเขตเทิงเนธคัมมะบรมีนี่ละความรักในระหว่างเพศละความโลกโมโตสันในการที่ได้ซั์สินมาเพื่อความร่ำรวย ละความโกรธความเจ็บาวดละความหลงที่เรียกกันว่าที่ขุกและภิกษุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภายในสงสารร่างกายเนี่มจัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื่อสิ้นชาติถ้าเราไม่ได้อาราหันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ เกิดอีกทีให้ได้เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พรนิพพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็ น, อนเนออนไปอธิฐานบรลลัเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ทันยดินท่้สามทำน่ะเราทำากันครบถ้วนแล้วหรือยังนี่ผมขอทวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีกมีกำลังใจประจำอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอความจริงทานผู้ท่านทํากันทำงานวัดทํางานวางงานสาธารณประโยชน์โอ้ยทำวิปัสสนานับไม่ถ้วนท่านกําลังจริงแล้วก็ทํากันอย่างไม่แง่ความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสินจ้างแรงงานไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินของพุ่อศาสนานี่กําลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจิตหือทรงฌานในเนก จาระนุสติกรรมฐานใจขานุสติกรรมฐานาานีน่ไม่นั่งมันจะไม่นั่งภาวนา จ, จ่าครั้งจากครั้งจากครั้งจ่าครั้งอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจามันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกเป็นฌานใน จ, จาระนุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาบารมีแกบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาในที่ของเราใหาส้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกติจิตบริสุทธ์ อย่างนี้เป็นเมตตาบา ร, รมีเป็นเยอะถ้าพยายามระ ง, งับใจตัดจากอารมณ์ชัว่วคือกามะคุณห้าตัดนิวรห้าบริการมีกามะชั้นทะพยาบาทอุทะจะทีนวมิทาแล้วก็วิจิกิจชารวมความจิตตัดความโลกตัด ความรักตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดและไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชอวิตจิตของท่านตั้งอยู่ในในคมะมบรมีทรงสีนบริสุทธิ์เป็นศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงสีนี้เป็นโมติไม่บกพร่องชื่อว่าพืชผู้ในมีฌานในศีลานุสติกรรมฐานรวมความกรรมฐานทุกอย่างที่พร่ว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ คือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเรียไม่เก่งจริงมัต้องอารมณ์ลอยๆแล้วก็ได้ดีจิตทรงตัวเมื่อท่านหลายทําได้หมดอย่างนี้ผมชี้เห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านจะดีนที่สามและบริบาลหนึ่งพท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าวัฒนนาบรารมีของเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อราหันในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวในเมืองเทวดาให้มันสบายกีแสงกับกอช่างลงมาเมื่อไรไปอ ร, า ห, ารหันมนั้นาง่างช่นเ ด, ดีนวนอง์สามอรบันดาท่านทั้งหลายการแนะนำวันนี้รู้สึกว่าแนะนำเบาๆแต่มันไม่เบานะผลแนะนำรู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ เรื่องนึกนึกคิดคิดจิตคำนังถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เวลาหันได้อย่างท่านจะดีอย่างสามเราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาพยูคาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอย่าจะทรงสมาธิให้สงักก็จับอนาปานุสติกรมาฐานเป็นต้นทาง ให้ยาจอใขโค ร, ครวแนนุสติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรสงควรมาอะไก็เลยว่านันสวัสดี